บรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในเรื่องของวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูขันธ์ทั้งห้าหรือนามารูปให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ในการกำหนดพินิษพิจารณานั้นในส่วนที่ย่อยลงมาแล้วท่านก็สอนให้กำหนดดูส่วนที่เรียกว่านามาลูปหรือรูปนามว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วให้ดูที่เหตุที่ปัจจัยซึ่งมาประกอบกันเป็นรูปเป็นนามก็จะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นเดียวกัน ในที่สุดก็ให้เข้าหาบทสรุปว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ประกอบกันขึ้นมาจากสิ่งซึ่งไม่เที่ยงโดยสภาพแล้วสิ่งนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อประกอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นก็จะเป็นสุขได้อย่างไรเมื่อประกอบด้วยเหตุปัจจัยที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นจะเป็นอัตตาตัวตนได้อย่างไร การพิจารณาในแง่ของเหตุปัจจัยนั้นนอกจากจะอาศัยความเข้าใจในชั้นของปริยัติคือการศึกษาและเรียนแล้วตัวสมาธิคือจิตใจที่สงบมั่นคงและปัญญาความรู้จะต้องแหลมคมพอสมควรจึงสามารถมองเห็นปัจจัยของนามรูปแต่และอย่างได้ ทั้งนามและรูปที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นพระพุทธศาสนาสรุปลงที่ขันทั้งห้าประการคือส่วนที่เป็นรูปธรรมได้แก่สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทห้าขั้นต้นคือด้วยการได้เห็นได้ยินได้สุดดมได้ลิ้มและได้ถูกต้องและส่วนที่เป็นนามธรรมาคือที่เรารู้ด้วยใจนั้นมาสรุปลงที่ตัวรูปกับนามเท่านั้น เพราะในโลกนี้แม้จะมีของวิจิตรพิสดารอย่างไรก็ตามบุมคคลก็สัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าอย่างที่ทั้งหกอย่างที่ว่ามาแล้วปัจจัยของรูปที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นคือวิชาตัญหาอุปาทานกรรมและอาหารปัจจัยของนามก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือประกอบด้วยอวิชาตัญหาอุปาทานกรรม แสดงว่ารูปนามนั้นมีปัจจัยร่วมกันอยู่ส่วนหนึ่งแต่ปัจจัยที่แผกออกไปก็คือเรื่องของผัสจะที่แปลว่าวการกระทบผัสจะคือการกระทบนั้นได้เกดการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นว่ารูปนั้นรูปนี้นั้นคือการกระทบการกระทบก็คือการประกอบกันของ อยายตนะภายในภายนอกและวิญญาณท่านจึงแบ่งออกเป็นหกตามประเภทของอยายตนะคือจักขุสัมผัสเป็นต้นจนถึงมโนสัมผัสที่แปลว่าการกระทบทางใจสัมผัสคือการกระทบนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาซึ่งเป็นนามประการหนึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติตึงสังเกตดูว่า การที่เราเกิดเวทนาคือการสวยอารมณ์จะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามนั้นมันเกิดมาจากการประจบ ก, กันระหว่างอายตนาภายในภายนอกวิญญาณที่เรียกว่าสัมผัสถ้าไม่มีการสัมผัสคือตามไม่ได้เห็นรูปเป็นต้นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากการเห็นรูปก็มีไม่ได้ ภาษาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาและในสายนี้เองผู้ปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วถ้าเป็นสุขกับเวทนาคือเป็นสุขใจของบุคคลก็จะเพลิดเพลินในเรื่องลงอยู่ในความสุขเหล่านั้นมีการสยบติดมีการไขว่คว้าสแสวงหาความสุขเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันใจก็จะเอื้อมไปตั้งความปรารถนาขอร้องตลอดถึงวงสรวงอ้อนบอนก็ลแล้วแต่พื้นอัตยาสายของบุคคลแต่ละคนต้องการที่จะให้สุขเหล่านั้นดำรงอยู่เพิ่มพูนขึ้นไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าความประสงค์จํานวนหวังของบุคคลเหล่านั้นจะเป็นไปาตามที่หวังทุกอย่างไม่ได้ เพราะตัวเวทนาเองก็เป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อยู่โดยสภาพจะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้าคนเข้าใจได้ในจุดนี้หยุดความคิดที่จะปรุงแต่งต่อไปหรือไขวยคว้าต่อไปก็จะเป็นการปิดกั้นกระแสของตัณหาไว้ในจุดนี้ได้ แต่ถ้าให้หากว่ามีการปรุงคิดคิดปรุงกันไปโดยลำดับอย่างที่ว่ามาแล้วตัณหาในรูปเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นต่อแต่นั้นก็จะออกรูปมาเป็นความยึดความติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าความยึดความติดที่เราเรียกว่าเป็นอุปาทานบางครั้งเป็นการลวงตัวเอง ตั้งหลายชั้นด้วยกันเช่นว่าวัตถุสิ่งของหรือบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งเปลี่ยนแปลงแตกดับไปตามธรรมดาของสังขารเพราะอาศัยการยึดติดที่มีอยู่ภายในจิตใจบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของโศกะปริเทวะคือร้องไห้รำไรรำพันร่ำครวนแสดงออกถึงความเสียใจ ในการพรากจากเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้หยุดความคิดเอาไว้ประการร้องไห้เสียใจเช่นนี้จะได้อะไรขึ้นมาจะช่วยคนตายฟื้นไปได้ไหมก็จะได้คำตอบว่าแก้ไขไม่ได้ตัญหาในเรื่องเหล่านี้ก็จะบรรเทาลงแต่ถ้าหยุดความคิดไม่ได้ กระแสแห่งตันหาแกระแสแห่งทุกข์ก็เกิดคืบคลานต่อไปความเศร้าโศกเสียใจยก็เพิ่มขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นัน้นทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลหยุดความคิดแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาถามว่าถ้าหากว่าเพียชนคนที่รักของเราที่ท่านตายไปตั้งหลายวันแล้วฟื้นขึ้นมาเรามีความยินดีต้องการจริงหรือ ความคิดก็จะเกิดสับสนขึ้นมาทันทีได้แต่ที่บุคคลปล่อยกายปล่อยใจให้ถูกกระแสะแห่งตันหากระแสะแห่งความทุกข์จุดลากไปนั้นเพราะไม่ได้หยุดคิดไม่ได้หยุดพินิจพิจารณาในเชิงที่สมเหตุสมผลจิตใจก็หมุนบนอยู่ในกระแสะของความทุกข์และกระแสะของกิเลสดังนั้นการศึกษาปฏิบัติ ธรรมะในทางศาสนาพระพุทธเจ้าจึงอาจจะหยิบเอาอะไรเพียงข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาและจะโยงเชื่อมต่อความคิดของบุคคลเหล่านั้นไปโดยลำดำับในแง่ที่เป็นขบวนการธรรมชาติธรรมดาของมันแต่ทรงสอนให้บุคคล ร, ร, รู้แจ้งธรรมชาติเหล่านั้นตามความเป็นจริงอะไรควรจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติให้เหมาะให้กวรแก่ะบวนการธรรมชาติเหล่านั้น เช่นในส่วนแห่งความทุกข์ก็เพียงกําหนดรู้ไว้ไม่ปรุงแต่งต่อไปก็หยุดกระแสกิเลสเอาไว้ได้ถ้าปรุงแต่งต่อก็จะเพิ่มกระแสกิเลสขึ้นและเพิ่มคูนขึ้นภายในจิตใจเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นตัวเวทนาว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยใน ต, ตัวเหตุปัจจัยของเวทนาต่า ง, า ง, างเช่นสมมติว่าเห็นรูปสวยแล้วเกิดสุขเวทนา ตาที่เห็นเองก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้รูปที่สวยนั่นเองก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วจะไปต้องการให้เวทนาที่เกิดขึ้นจากสิ่งซึ่งไม่เที่ยงไม่เป็นของเที่ยงก็เป็นไปไม่ได้จิตใจก็จรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางรู้ปรับรู้จักปรับจิตของตนให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแม้มองกันในแง่ความทุกข์แง่ของความเป็นรัตตา ก็มองได้ในแง่เดียวกันนามประการต่อไปคือสัญญาความจำได้หมายรูปก็ได้แก่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเย็นร้อนอ่อนแข็งและจำอารมณ์ก็มีเพียงหกอย่างเช่นเดียวกันก็นี้จะเห็นได้ว่าถ้าบุคคลไม่ได้เห็นรูปเป็นต้นความจำจะไม่มี ดูตัวอย่างที่เห็นได้ง่งงายง่ายเช่นว่าคนตาบอดนั้นจารูปไม่ได้แต่ก็จำเสียงได้เพราะอะไรเพราะว่าจักูุสัมผัสคือการกระทบทางตาเขาไม่มีเขาไม่สามารถที่จะแยกสีต่างๆออกไปได้แยกยุรูปต่างๆออกไปได้แต่เขาแยกเสียงได้เพราะอะไรเพราะโสตสัมผัสคือการกระทบทางหูเขามีแต่การปฏิบัติในทางาศาสนาไม่ได้หมายความว่า ให้ทำลายอายตนะแต่เพียงแต่ให้สารวมอายตนะเท่านั้นเองอายะสิ่งเหล่าใดที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะภายในคือด้วยการนิตาเห็นเป็นต้นถ้าหากว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเช่จนจะเกิดกาหนัดขึ้นเกิดขัดเคืองขึ้นเกิดลุ่มหลงขึ้นเกิดมัวเมาขึ้นเพราะอาศัยการกระทบกับสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุ ก็หยุดความคิดไว้เพียงเท่านั้นสลัดทิ้งออกไปไม่เก็บไว้ภายในใจคือไม่จำเอาไว้เมื่อไม่จำเอาไว้อารมณ์ทั้งหลายและกิเลสทั้งหลายก็ไม่ได้เชือ้อตัวอย่างที่เคยกล่าวมาคราวหนึ่งว่าพวกกิเกลสตถ า, า, า, า ท, ที่มีอยู่ภายใน ใ, นใจนั้นก็เหมือนกับ ร, รัย์ร้ายถ้าหากว่าบุคคลไม่ให้อาหารเก็บมันในที่สุดมันจะผอมลงผอมลง แสดงอะไรออกมาไม่ได้จิจัยของบุคคลที่ถูกกิเลสกลุ่ม ร, ม, รมอยู่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ชัดในกรณีของศีลศีลห้าประการที่สมาทานไปแล้วนั้นเป็นศีลสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ถ้าหากว่าถึงขั้นที่จะสมาทานเป็นอุโบสถแต่ศีลเป็นศีลแปดแล้ว สี่ข้อต่างๆข้างหลังนั้นสามข้อหรือว่าที่จริงเป็นสี่ข้อเป็นการสร้างปัจจัยให้เกิดแรงกระตุ้นกิเลสตัณหาขึ้นมาภายในใจเท่านั้นเองเพระแท้ที่จริงแล้วตัวของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นบาปอะไรเช่นการรับประทานอาหารตอนเย็นก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่ว่ามันเป็นปัจจัยกระตุ้น ให้เกิดกิเลสสายโลภะราคะขึ้นมามีความกำหนัดความเพลิดเพลิอนอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายถ้าหากว่าบุคคลไปบำรุงบำเริร่างกายจนมีเรี่ยวแรงมีกำลังมากกิเลสสายนี้ก็เจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาเพราะได้ปัจจัยเข้ามาประกอบอาจจะรักษาศีลข้อที่สามซึ่งเปลี่ยนเป็นอภรรม์ไม่ได้พู้เจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อล่างๆเอาไว้ เพื่อเป็นการตัดปัจจัยซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปราคาะเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าตัวสัมผัสคือการกระทบทางประสาทสัมผัสข้อใดก็ตามบุคคลมีสติมีปัญญาระลึกรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเห็นว่าเป็นทางเกิดแห่งอกุศลดังกล่าวก็หยุดไม่เก็บไว้ภายในใจคือไม่จำไว้ นามตัวนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าสัญญาเกิดขึ้นตัณหาในอารมณ์ก็ต้องเกิดขึ้นเพราะแกจําไว้แก่จะกําหนดทันทีเลยว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิน่นหอมรสอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องหรือกําหนดในทางตรงกันข้ามรูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิน่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสนั้นไม่น่าจับต้องกิเลสสายโลภก็เกิดขึ้นกิเลสสายโทสะก็เกิดขึ้นตามควรแก่อารมณ์ที่เก็บเอาไว้ แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นรูปของเวทนาเป็นปัญหาก็หมุนกันไปอีกนั้นในชั้นของการปฏิบัติเพื่อหยุดปัจจัยของนามรูปบางอย่างเอาไว้ในกรณีที่จะเป็นปัญหาขึ้นมาภายในจิตคือจะเพิ่มกิเลสขึ้นภายในจิตพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักของอินทรสังวรไว้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วและที่สำคัญก็คือถ้าหากวัตสติสมชัญยะระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้น ก็กำหนดเพียงสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารไม่นํามาปรุงแต่งต่อไปมันทํานองเดียวกับบุคคลนั่งรถไฟที่วิ่งเร็วเห็นทิวทัศน์ต่างๆไม่ได้กําหนดลงไปแน่ชัดทิวทัศน์เหล่านั้นก็ไม่ได้สร้างความสับสนอะไรให้เกิดขึ้นแก่จิตใจแต่ถ้ามองแล้วนํามาคิดนํามาปรุงเก็บไว้แล้วก็ย่อย คิดถึงบ่อยๆสัญญาความจำรูปเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นเป็นนันมากเมื่อสัญญามากตันหาในสัญญาก็มากเมื่อตันหาในสัญญามากเวทนาก็มากและเวทนาตันหาในเวทนาก็มากเรื่อนี้บุคคลจะเห็นได้ว่าคนบางคนที่ท่านไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ เรื่องวาวุ่นสับสนต่างๆไม่ค่อยเกิดขึ้นในจิตใจของนั้นเพราะท่านไม่ค่อยจำอะไรไว้ด้านนั้นมีนักปราชญ์ผู้หนึ่งกล่าวว่าถ้าคนเราจะพูดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงจะทําเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแล้วโลกจะสงบน่าอยู่ขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ แต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลไปรับอารมณ์ซึ่งบางเรื่องเป็นพิษเป็นภยัยแกจิตใจตัวเองด้วยซ้ําไปแต่ก็รับเข้ามารับมาแล้วก็พูดบางครั้งก็กระทําออกมาความสับสนต่างๆจึงเกิดขึ้นในโลกอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันและจะมีเช่นนี้อยู่เรื่อยๆไปศาสตร์ใดที่จิตใจของบุคคลไม่ได้ถูกควบคุมไว้ด้วยหลักของ สติสัมปชัญญะหรือธรรมะในพระพุทธศาสนาปัจจัยของนามที่จะต้องอาศัยสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยประการต่อไปก็คือสังขารสังขารก็คือเจตสิกกรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเฉพาะในกรณีนี้ซึงอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เช่นความเมตตากรุณาก็เป็นสังขารชนิดหนึ่ง ปัญญาความรอบรู้ก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งความละอายแก่ใจความสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปก็เป็นสังขารที่ฝ่ายที่เป็นกุศลสังขารที่เป็นอกุศลเช่นความโลภความอิจฉาริษยาความโกรธความประทุษร้ายเป็นต้นนันก็เกิดขึ้นถ้าถามว่าเกิดขึ้นในกรณีอะไรเกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสของเราไปกระทบเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรจะลืมเรื่องเชื้อที่มีอยู่ภายในใจแล้วคือเชื้อของโรคของโกรธของหลงที่มีอยู่ภายในใจของคนแล้วเพราะถ้าหากว่าใจไม่มีเชื้อถึงแม้จะกระทบอารมณ์ภายนอกจะดีหรือไม่ดีก็ตามจะไม่สร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นภายในจิตใจข้าตํานองฝ่ามือของบุคคลที่ไม่มีแผล แม้จะไปจับสิ่งที่เป็นพิษขบัง้งสิ่งนั้นก็ซึมเข้าไปภายในฝ่ามือไม่ได้เสื้อภายในใจจึงถือว่าเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญต่ออารมณ์ที่บุคคลสัมผัสอยู่ในชีวิตประจําวันมากเพราะอะไรเพราะว่าการสัมผัสในลักษณะนี้คืออาหารของนามในลักษณะนี้พระรีเจ้ากับพุทุชนก็สัมผัสอยู่เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันอะไรในส่วนนี้ แต่ข้อที่ทำให้เกิดความแตกต่างก็คือเชื้อภายในจิตของท่านเหล่านั้นกับของปุตุชนไม่เหมือนกันและแม้แต่ระวางปุตุชนต่อปุตุชนก็มีเชื้ออยู่ไม่เหมือนกันการเห็นรูปฟังเสียงในคราวเดียวกันจะมีผลต่อจิตใจของบุคคลไม่เหมือนกันแม้จะเหมือนกันในลักษณะรูมใหญ่ๆแต่จะแตกต่างกันในข้อปริกย่อยเหมือนกันโดยส่วนเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะอะไรเพราะตัวเชื้อภายในจิตแตกต่างกันและไม่อาจที่จะให้เสมอเหมือนกันได้ยกเว้นแต่ชั้นที่เป็นพระรีเจ้าแล้วเท่านั้นดังนั้นตัวสังขารจึงเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นต้นตามสมควรแก่เชื้อที่มีอยู่ภายในใจเช่นว่าจะขูดสัมผัสคือการกระทบทางตาบางครั้งอาจจะเกิดเป็นกุศลขึ้นมาก็ได้ บางครั้งจะเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาก็ได้ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าตัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวกาหนดเสมอไปแต่เป็นแต่เชื้อภายในใจของบุคคลตัวอย่างที่พึงเห็นได้ง่งงายๆเช่นพวกพรานในสมัยพุทธกาลเขาถือว่าถ้าวันไหนก็ออกไปล่าสัตว์ไปพบกับนักบวช หรือพระในศาสนาใดก็ตามจะถือว่าเป็นเสนียดมงเสนียดจังไรอย่างรุนแรงทีเดียวเ็าต้องทำลายพระบางทีต้องฆ่าพระได้ยเพราะถือว่าจะทำให้เขาไม่สามารถดำเนิอนอาชีพได้นี่จะจะเห็นได้ว่าตัวพระนั้นในแง่ของศาสนาถือว่าสมณานันจะดัศนังเอตมังกัลมุตตังการพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลแต่ถ้าจะถามว่าเป็นอุดมมงคลของใคร ก็ต้องเป็นอุดมมงคลของคนที่มีพื้นจิตที่สะอาดพอสมควรไม่ใช่เป็นพื้นจิตในลักษณะของนายพรานเราดันทีนี้ในทำนองที่เป็นตัวกลางกลางก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าตัวธาตุที่เป็นพื้นจิตของคนมีมากพอสิ่งที่เขาเห็นไม่สำคัญว่าเป็นอะไรแต่ตัวแปรที่สำคัญคือเขามีความรู้ต่อสิ่งนั้นอย่างไร บางอย่างอาจจะไม่ดีก็ได้แต่เมื่อคนพินิษ์พิจารณาแล้วใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาท่านมองไปอีกมุมหนึ่งได้อย่างที่ท่านเล่าถึงพระปัจเจกับพุทธเจ้าหลายสิบพระองค์ด้วยกันท่านปราบเหตุ ธ, ธรรมดาสามัญเหตุเหล่านั้นไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเช่นเราเห็นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งไม่มีลูก มีกิ่งก้านแผ่สาขาออกไปสวยงามไม่มีใครรบกวนต้นหนึ่งมีลูกมีคนเข้าไปสอยเข้าไปคว้างปาปีนปายกันวุ่นวายไปหมดท่านก็มามองเห็นว่าชีวิตของคนที่เดือดร้อนวุ่นวายกันเนี่ยเพราะมีของที่คนก็ต้องการคนนั้นต้องการนั้นคนนี้ต้องการนี้คนนี้คนโน้นต้องการโนนก็มาสร้างชีวิตของคนอีกคนหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมา ถ้าเราไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนบุ้นไหวจากปัจจัยภายนอกท่านก็ตัดสินใจยืนพินิจพิจารณาอยู่ดังนั้นแล้วสรุปแนวความพิดรงไปว่าเอโกเจรขกคขวิสานะครับปมบุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอนแรกคือหลีกเร้นออกไปจากหมู่จากคณะเพื่อตัดปัญหาต่างๆเอยอีกองหนึ่งเห็น ทาษีเดินมีกำไลแขวนกระทบกันท่านก็ ม, มองเห็นว่าคนเราถ้าอยู่คนเดียวจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเริ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วจะมีปัญหาเหมือนกับกำไรข้างเดียวเดินยังไงก็ไม่ดังแต่พอสายข้าสองข้างมันก็เกิดมีการกระทบกันท่านก็มองเห็นความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเพราะการครุกคีกัน ก, การอยู่ร่วมกัน แล้วท่านก็ปลีกตัวออกไปบวชเป็นพระปัจเจกับพะพุทธเจ้าคือนี่เป็นความคิดของคนระดับที่จะเป็นพระปัจเจกับพะพุทธเจ้าแต่เป็นการเชื่อเห็นอ ย, อย่างหนึ่งว่าไอ้ตัวรูปภายนอกว่าที่จริงไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่สาคัญจริงๆอยู่ที่พื้นใจของคนภายในว่าจะมีความรู้สึกต่อรูปต่อเสียงต่อกลิน่นต่อรสต่อปตพระเหล่านั้นอย่างไรกิเลสจะเกิดหรือกุศลธรรมจะเกิด ก็ขึ้นอยู่กับพื้นจิตของคนบางครั้งบางคราวอย่างเสียงเด็กร้องให้คนที่มีพื้นเป็นโทสะอยู่อาจจะเกิดหงุดหงิดเกิดไม่พอใจแต่คนที่พื้นจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาจะเกิดหวั่นไหวว่าเด็กมีปัญหาอะไรทำไมแกจึงร้องให้จิตใจก็จะอ่อนโยนขึ้นไป กุศลธรรมอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องเสียงกุศลและอกุศลที่มีอยู่ภายในใจของคนที่แตกต่างกันนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกระทบกับสัมผัสที่มาภายนอกสัมผัสนั้นอาจจะดีไม่ดีหรือกลางกลก็ตามแต่พื้นจิตจะเป็นตัวกาหนดมากกว่าปัจจัยภายนอกจะเป็นตัวกาหนดทน่นี้นอกจากยกเว้นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวในอารมณ์ต่างๆซึ่งก็หมายความว่า พื้นจิตของบุคคลเหล่านั้นเปราะบางและไวต่ออารมณ์ที่มากระทบพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นกินเลสพร้อมที่จะโกรธพร้อมจะเกลียดพร้อมจะอิจฉาริษยาเป็นต้นดงนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าตัวผัทธะคือการกระทบนี่เองเป็นอาหารให้เกิดสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นอาหารให้เกิดสัญญาคือความจามได้ จำในสิ่งนั้นไว้ตามการปรุงแต่งของจิตของสังขารตัวเวทนาก็จะเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆปัจจัยที่มีความสำคัญจึงอยู่ที่เชื้อภายในและตัวสติสัมปชัญญะที่จะลึกระลึกรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นเพื่อจะแปลงปัจจัยของนามให้เป็นไปในทางเกื้อกูลแก่สุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน ส่วนนามอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่มีความละเอียดและมีนัยยะพิสดารซึ่งควรจะศึกษาโดยคราวเดียวเท่านั้นเพื่อได้มองเห็นถึงลักษณะของวิญญาณประเภทของวิญญาณที่ทางพระพุทธศาสนาสแสดงเอาไว้การศึกษาสิ่งทั้งหลายในแง่ของเหตุในแง่ของตัวเขาและในแง่ของเหตุปัจจัยตลอดถึงดึงสิ่งเหล่านี้เข้าหาพระใจลักนั้น ไม่ได้มีผลเพียงแต่ในชั้นของการรู้แจ้งเห็นจริงธรรมะจนละกิเลสได้เท่านั้นแท่ที่จริงจะมีผลเป็นความส ง, งบใจเป็นความสว่างขึ้นภายในจิตของบุคคลในชีวิตประจำวันนี้เองการกำหนดการพินิษพิจารณาอยู่บ่อยๆเท่านั้นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องจึงจะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลได้ต่อแต่นี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความสงบเสืบต่อไป